พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ระดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่ากราบรูปเหมือนระลึกถึงรูปจริงต่อนี้ไปตั้งใจสมาทานศีล วันนี้ถือว่าเป็นศีลพิเศษนะคณัศรัทธาญาติโยมเพราะพวกเราจะได้ร่วมปลอม จ, จิตใจเทลูกหลวงปู่มั่นเพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้เพราะว่าหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานในยุคปัจจุบันถ้าจเราจะไร่เลียงดูแล้วนะหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ของ หลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่อ่อนทั้งหมดในอีสานในภาคอีสานของเราไม่ใช่แต่ภาคอีสานทางภาคเหนือด้วยหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเลวัดอโศการามแล้วก็ทางภาคตะวันออกทางภาคใต้อีกแถวภูเก็ตพังงา หลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานวันนี้พวกเราหลวงปู่มั่นได้ล่วงรับดับขันตั้งแต่ปี 2,492 ปีนี้ก็ปี 2,560 พวกเราคณะรัตญาติยมลูกหลานนับนิ้วมือดูีิว่าหลวงปู่ล่วงรับดับขันไปนานแล้วแต่คุณงามความดีขององค์ท่านยังสิงสถิตอยู่ใน หัวจิตหัวใจของสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงลูกหลานาพวกลูกหลานพวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายาถ้าจะพูดเกี่ยวกับกรรมฐานทุกรเรื่องจิตตภาวนาแล้วพวกเราจะต้องเอ่ยชื่อถึงต้นตระกูลของเราคือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนก็คือมุ่มกว้างคือในพระไตรปิฎกแต่หลวงปู่มั่ น, นท่านสอนในชีวิตประจําวัน ในขณะที่พวกเราจะทําอย่างไรท่านสอนสิทธิารู้สิทธิ์ของท่านแต่นี้ทุกสิทธิารู้สิทธิ์ของท่านก็ได้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราในฐ า, านะหลานเหลนพวกเราก็เห็นว่าธรรมเทศนาหรือว่าทำคำสอนของหลวงปู่มั่นเป็นพระธรรมคําสอนที่นํามาประพฤติปฏิบัติได้เพรวันนั้นพวกเราวันนี้ถือว่าถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลยิ่ง ที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันแล้วก็จะได้รลอเททองรูปเหมือนหลวงปู่ก่อนที่จะเททองพวกเราก็ควรจะสมาทานสินให้เป็นผู้มีสินซะก่อนคือกายวาจากายวาจาให้บริสุทธิ์นะแต่ว่าใจบริสุทธิ์นั้นคงจะทำได้ยากเอากายวาจาซะก่อนให้บริสุทธิ์ในเมื่อกายวาจาบริสุทธิ์แล้ว เราเททองทองลูกเหมือนของหลวงปู่ของเราเพราะเราหล่อห ล, อ, ลอมจิตใจสิทธิ์ญาณสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายเข้าในลูกเหมือนของหลวงปู่หลวงปู่ก็จะเป็นสิริเป็นมงคลเป็นสง่าราศีสำหรับพวกเราเอาฟังใหม่นะทีนี่นะ ว่าวบาได้เถียงเอาเถียงอ๋อพ่อปันลูกเขยเถียงพ่อเถามันช่ได้ยังไงวะพ่อพ่อพ่อเถาว่าวบาดได้ลูกเขยเถียงเอาเถียงเอามันจะได้ยังไงว่ <c oughs> าเ น, นี้ตั้งใจฟังนะคณะท่าญยาดยอมลูกหลานทุกขูทุกข้นนะ <c oughs> เอเบอกภาษาอีสานเด็จง่ายกว่ามากเลอเอาเอาภาษาบ้านเฮ้าเนาะอ่า ว่าวภาษากลางกับว่อแหงหาวภาษาบ้านเฮ้าดูวยกนเนี่ยภาษากลางคือภาษาราชการของเพลนภาษาบ้านเฮ้าในภาษาฟังกันง่ายๆคือเมื่อนี่ือว่าเป็นวันมงค้นมหามงค้นวันนี้เป็นวันทีสิบกลุ่มภาพพัน์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบ เ, เมอนี่ พวกเข้าจะได้มาร่วมกันเทศทองพระประท่านตกรถีเทศท่องนี่พวกเข้าจะได้สัมมาท่านศีลสะกอนพล น, นลรงพ่อจะให้ศีลให้พวกเข้าสัมมาท่านศีลหาเพราะว่าการจะเทศท่องพวกเข้าได้สังเกตบ่กันเทศทองพระประท่านก็ดีเทศท่องลูกเหมือนคู่บ า, าจานก็ดีปู่ทีเทศเขาใส่สุดขาวเลย เ, เขามัดหัวแล้วก็เป็นทัศลักษณะเป็นพร้ามนะ เป็นผูกมีสินมันถือมาตั้งแต่โบหล่ำโบลัน่นปลอยนันพวกเข้าสัทธาญาดโยมก่อนจิตจับได้สายสินต่ตๆกันทรงจิตทรงใจใส่รูปหลวงปู่มันพัวเข้าก็คกรจะมีสินซะกกอนพลอยนันพวกเข้าจึงในไหวพระและก็สามารถท่านสินสินของพระพุทธเจ้าอันรับแปกก็คือ อย่างพวกเราอาราธนาเบอร์กีเนี่ยว่ามายังพันเตวิสูงวิสูงลักษณะฐายะติสรเนนตระหะปัญจศีลานิยาจามะข้าพรเจ้าขอสมาตรท่านสินหาตามไม่จริงการสมมาตรท่านสินมีสองอย่างมายังพันเตติสรเนนตระหะปัญจศีลานิยาจามะ และกรมมยังฟันเตวิสูงวิสูงรัคนะฐายะติชนเนนทาหะปัญจศิลานิยาจามะทหาวาผูธีขี่สงสัยก็คิดว่าเอ๊ะการธรรมะท่านขอสินนี่ทําไมเป็นอย่างเบาจึงสองอย่างเป็นอยังเบาเบาแนวเดียวกันคือศินหาเนี่เป็นศินสองมาตรฐานบอกคือสินจังใดเป็นอย่างยังเบาบลคือกันอันนี้ก็ถ้าจะว่าทักขีสงสัยแล้วก็กนา น่าสงสัยอยู่มันก็เป็นสองมาตรฐานอิลเล่คือมาอย่างพันเตติชรเนนะจ่ปัญจ่าศีลานิยาจามะข้าพเจ้าจะรักษาขอพวกข้าพเจ้าขอสมมาท่านศีลทั้งย่วงทั้งมัดทั้งหาขอพอร้อมกันร่วมกันแต่มาอย่างพันเตวิสูงวิสูนผู้ขาในบ่มั่นใจว่าจะรักษาศีลหาขอให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดไปคือชีคือชีบวดินาน ว่านผู้ขาเนี่ยขอสามารถท่านสินเป็นคอคอก็ขอที่หนึ่งถึงขอที่ห้าขอที่หนึ่งเนี่ยสมมูรณ์ว่าเข้ารักษาจิตเข้าเพลิดเข้าตบหนุ่งซะบี้หมดจ้าสินขอที่หนึ่งขาดยังอยู่ยขอที่สองอาทิหน้าท่านพอออกนี่ออกจากนี่ไปไปเห็นล่องเท้าเขาเอาศพสวมล่องเท้าเขาซะไปขโมยศินขอที่สองขาดยังขอที่สามยังสขมพอปะ ไปกอกแกบกอกแ ก, แกะกอดุบเมี่ยเขาเอกสินขอที่าสามขาดเอกไปขี่ตัวเขาเอกขอที่ขสขาดไปเห็นหมูกินเราเขาว่องเราเขาเอกศินขอที่หาหมดัดสลดไปอันนี้คือพิสูง์วิสูงวิรัชนทายาคือรักษาศินขอรักขอข อ, อรักษาศินเป็นขอขออย่างเมื่อกี้นเนาพวกเขารักษาศินเป็นขอขอ ขอที่หนึ่งถึงขอที่ห้านะแต่จะให้ลงพอวินิจฉัยนะ่ะลงพออินวินิจฉัยลงพอวานน่าจะปัญจศีลานเน่ยท่านใะดก็ะไดมันรุยร้ยเทเดียวโหลดไดก็จะกระแยกมันพอหนาจีบป้อนหนาจีนนาจดีนะลงพอวานนะเออกันใดก็ไดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนโลดท่านใดที่ราคาที่ต่ตางที่ระเสถึงนะี่บกบกควรจะเป็นจชงสันนะแต่ทึ่อย่างไรก็ขอให้ลูกหลานคณะสัตวท่ า, าญาติโยม สัมมาท่านศีท์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะเพราะว่าเมื่อนี้กัมาาบมือเอิญเมื่อนี้เขาเข้าก็เละเทศท่องลูกหลวงปู่มันมือเอินก็เป็นวันมาคาบูชานะวันที่สิอนะเป็นวันมาคาบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศกฎรัฐธรรมนูญปกครองสูงนะมืออื่นนะี่ยตอนบ่ายขนาดบ่ายครับขนาดบ่ายนะี่บ่ายสองโมงเนี่ยนะ พระสงฆ์มาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดแน่ที่วัดป่าเวลุวันกุงราชคือนะวัดป่าเวลุวันป่าใหม่พายพระองค์ก็ได้ให้อว่าทัปฏิโมกสอนภิกษุคือตังต้งกฎตั้งกฎคือต่งตั้งพระวินัยนะคือว่าใคาตั้งกฎหมายปกครองปกครองสงฆ์ท้าหาวัน์เท่าเปรียบเทียบเดี๋ยวนี่คือประกาศกฎรัฐธรรมนูญปกครองประเทศชาติอย่างนั้น แต่ว่าผู้พิทธเจ้าเพิ่นกับปกประกาศกฎรัฐธรรมนูญปกครองสงฆ์คือพระวินยัยนี่แหละมืออื่นเพราะนั้นถือว่ามือเอืนเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเขามือนี่รักษาศีลหอดมือเอือนใดกว่าดีหลวงพ่อวานะมือนี่เขาก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลเพียงรักษาศีลหาก็่เห็นจะนักหนาที่ตรงไหน สาหรับคารวัตญาตย่อมผู้สูงอายุนะผู้หน่อยผู้นมกบว่ากันละอผู้สูงอายุเนี่ยควรจะรักษาศีลหามือนี่หอดตลอดมืออื่นยี่สิบเ อ, 20, เอ่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงะอให้ได้ให้ครบนี่แหละเป็นนิมิตหมายที่ดีได้หลวงพอวานะ่ะศีลขอต่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ผ้านน่าวานามโมเะก่อนเลยรักษาศีลณโมตัสสะพระเขาวาโต ความแปลและความหมายวันนโมเนี่ยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้ น, นความแปลและความหมายของนโมนะอย่าบอกถึงสามคือเธออีกข้าพเจ้านอบน้อมเป็ยังเข้าจึงนอบนอมพระพุทธเจ้ารักษาศีลเพราะว่าศีลหาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้นคิดเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้ประท่านออกมา เป็นคนผู้ที่คนคิดเน่ยเข้าก็ย่อมหลับย่อมรับเออพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดถูกถ้าว่าผู้มีศีลหาในโลกนี่ถ้ามีศีลหาเมืทุกข์หูทุกข์ค่อนโลกทั้งโลกก็จะลมเย็นเป็นสุขเออาว่าคนขาดศีลหาิศขาดศีลหามากเนี่ยโลกทั้งโลกในยุคนั่นก็คงจะเดือดร้อนวนว่ายข้าพรเจ้าเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้านี่เข้าข้อก่อนเข้าจะรับศีลหาเข้าก็ยังหนอบน่อมพระพุทธเจ้าขอณนะโมตสระเนี นี่แหะจากนั้นกัพุทธังธรำมังสังขังสรณะงคัดฉาเมข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระ อ, องค์เองจากนั้นประกาศพระธรรมค้ำสอนออกมา 84% ดหมพันพระธรรมขันสินหาเนี่ยก็คือพระถรมค้ำสอนสินแปดสินสองอยี่สิบเจ็ดมีมากไมก้ที่พระพุทธเจ้าประกาศออกมาอันนี้คือพระถรมค้ำสอน ขันหาวาบมีพระธรรมคัมศัตออกมาเห่าก็าจิปฏิบัติตนก็ะบาถูกจากนั้นพระสงฆ์เนเอยตาตียมปิสังข่งสารนั่งคดฉาบมีข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์สาวกคือพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลุกเสธิ์ของพระพุทธเจ้าในนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาแนะนําให้พวกเข้าเข้าใจอันนี้ก็คือพระสงฆ์สาวก ถ้าหากว่าวบมีพระ ส, สงฆ์นํพาพระถรมคําสอนออกมาบอกกล่าวพวกข้าวพวกหูขึ้นกันเนี่ยพระธรรมก็มดไปยุกในยุคสมัยนั้นอันนี้พระ ส, สงฆ์เป็นผู้มีปุลข้นเพราะนั้นพูดเข้าจึงยึดผุดทั้งทำมั่งสังขัางสารนั่งคัดฉาไม้รู้ติยำปีขาป้าพเจ้าขอยืนยันเป็นขังที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธถ้มพระสงฆ์เป็นสาระนะเป็นที่พึ่ง ตาตยัมปีขาภิเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สเป็นสรรนาเป็นที่พึ่งยืนหยันถึงสามครั้งจากนั้นกับข่าวเป็นองค์ศีลปานาติปาตาเวละปนิสิขาประท่งสามารถทิยาม่ขาภิเจ้าจะงดเว้นในการข่าการข่าผู้อื่นการข่าผู้อื่นกับว่ามีว่มีปัญหาพอข่าผู้อื่นเล่าชะใจะตั้งหากข่าผู้อื่น แต่เมื่อเขามาขาเห่าหรืขาพ่อขาแม่ขาพีขานองขาว่องสาขาญาติขายาติพี่นองหลูกล้านของเห่าจีเห่าหลักเมตตานี่เห่ามีความถกบอถกในเมื่อเขามาขาเห่าเห่าุกในเมื่อเขาเข้าไปขาผู้อื่นเขาล่ะเขาก็ะทกเคือกันเพราะฉนั้นพราะพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการขากันนี่ยเพเป็นผลดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินขอที่หนึ่งอย่าไปคึก อย่าไปคิดขากันนะอันนี้คือศินขอที่หนึ่งขอที่สองกัที่หน้าท่าหน้าเวรมันี่อย่าไปขโมยผู้อื่นเขาหนะ่าถ้าไปขโมยผู้อื่นเขาสิ่งของของเขาที่เขารัก เ, เขาก็เดือดรอนทุกข์ใจไปรักพอรักแม่ไปขโมยพอแม่ของเขามาเรียกค่าไทยจังสิ เ, เขาก็ถุกโกรกเมี่ยของเขามาเรียกค่าไทยทังสิเขากระทุก แต่เมื่อเขามาทําให้กับเเผวล่นะเข้ากับถูกใจเขื่อนกันเพราะเขามาทํำไม่มาเหตุให้กับเเผวเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการขโมยกันนี่มันบ่เป็นขโมยเล็กๆหน่อยๆมันขโมยใหญ่ขึ้นไปเลยขโมยของหลักของสงวนของเข้าเถไดเพ็ดนิ่งกินดาอยู่ในตู้ตู้ในหีบราคาแพงเถไดเข้าแา ห, าห้งเสียใจมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติะยาไปขโมยกัน อันนี้คือสี่ข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิทสาจาราวร ม, มานีย่าไปละลาบ ล, ละล่วงในสามีภรรยาของผู้อื่นเขาสามีภรรยาผู้อื่นเขาเขาก็หักสังงโนหัวแขนของเฮ้าเคื่อกันเฮ้าก็หกัล ก, ห ก, หกลูกหักเมียหักลูกหักหลานของเฮ้าถ้าเขามาล่วงล้ำเฮาเฮ้าก็เสียใจถ้าเฮ้าไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั่นต่างคนต่างมีให้เคารพให้เคารพเสกกันเน้อ พระพุทธเจ้าบัญญัติสิงขขอที่สามอที่สมุสาว่าถ้าเวรมะนีเอ่อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกล่วงคนอื่นเขาถ้าเฮาไปต้มตุนหลอกล่วงคนอื่นเขาเไปเขียนเช็คแดงให้เขาเไปย่อตึกตะกลัวว่าเป็นท่องคําให้เขาเอ่ไปเอากอนไี่เห็นเหลือมๆมา่าเอาไปแจกว่าเป็นเล็กไรให้เขาได้เมื่อเขาไดไปแล้วมันบมเมนของจริงเขาเสียเสียต้ม เข้าไปต้มเขาหลอกล่วงเขาเขาก็เสียใจเขามาให้ถํากับเข้าคือกันเข้าก็เสียใจเข้าเขียนเช็คแต่งน้อยๆกับวิปยักษถ้าเป็นล้านๆขึ้นไปแหละพอเขียนเช็คแล้วก็เฝ้านี้ะเข้าเอาเงินไปคืนแต่ เ, เสียหายนี่แหละอันนี้คือการโกหกต้มตุลหลอกล่วงกันข้อที่สี่ข้อที่หา้าสุราเมรยักษ์มัชชะพมา่า การดื่มสุราและเมล่เป็นที่ต่างแห่งความประมาทค้อคนสีดื่มเหล่ากินเหล่าเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อขาดจิตละทาความเสื่อเสียหายได้ทุกอย่างพราขาดการยับหยั่งอย่างบางท่านบางคนเป็นเจ้าเป็นนายไปเหตุออกไปเพราะกินเหล่ากินเหล่ากินเบีย เ, เ, เข้าไปแล้วขาดจิตคอที่หาเนยสุรามันเป็นยุคแมนยุคเข้าไป สื่อเล่าเลี่ยงกันนะแต่พอมันเมาเข้าไปแล้วมันขาดติตนะขาะจัจตจะท่าหยาดย่อมลูกหลานตัวนี้ยาแตะจะเลยนะดีที่สุดพอดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดจติตพอขาดจิแล้วท่าความสัวเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสินหาของพระพทุทธเจ้าว่ามันหมองว่ามันอยู่ห ม, มองอื่นหมองไข่ได้เาขาเล่าในสินซีขอนะนะในขอหนึงถึงขอที่ซีเนะี่ย เอาหัวใจเขามาใส่ใจเฮ้าเอาใจเฮ้าไปใส่ใจเขาสีข่ข้อแต่ข้อที่หานี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเฮ้าเฮ้าต้องําร่วมระวังถ้ามั่นคาจะตีขึ้นมาวันใดเสียหายนี่แหละอันนี้คือชื่อศีลของพระพุทธเจ้าเมื่อ น, นั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลหลวงพ่อได้อธิบายเรื่องศีลให้พวกเข้าคณะท่าญาติโยมได้ฟังแล้วก็ต่อไปเนี่เมื่อเราพวกเข้า รูเรื่องคุณค่าของศีลแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ภานัมสม า, า่าศิศีนบัดในเน้านาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิปุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทาเย่ตอนนี้ไปตั้งใจฟัง แต่หลวงพ่อคงจะไปพูดนานนะคณะสัทธยธ า, ญญาติยมพูดแต่เอาเนื้อหาสาระวันนี้หลวงพ่อเองได้มาร่วมมารวมกันที่จะอรอลูกหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระที่สำนักปฏิบัติธรรมดงเหล่าคำบ้านแม่หมู่เก้าตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกํากหนดเททองรูปเหมือนหลวงปู่มั่นผู้ฤทธิ์เถระตามที่ทางสำนักปฏิบัติโคกเหล่าคำได้ดำกําหนดทําพิธีเททองรูปเหมือนหลวงปู่มั่นพุ้ฤท ธ, ธิ์โตวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทั้งส่วนราชการมีท่านอารองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมหวัง ข่วงบางโพได้มาร่วมในงานของเราแล้วก็สำนักพุทธใหญ่สำนักพุทธของจังหวัดอุดรแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหลายระดับที่มาร่วมมารวมกันเพื่อจะรอรูปเหมือนหลวงปู่มั่นที่เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเรียกล่าวถ้าจะพูดถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่มั่นของเรา เป็นประมาจา์ที่ใหญ่ในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของที่พวกเราพวกเราเป็นล้านลานเลนเลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองหลวงตามหมาบัวหลวงปู่ล่าหรือเป็นหลวงอาของหลวงพ่อหลวงปู่จามอย่นี้ทนทั้งอยู่ที่ห้วยทรายมุกดาหารนั่นอยะท่านยังด้นด้านมาอุปสมบทอุมาบวช ท, ที่วัดโพธิสมพร จากนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่แหละอันนี้ก็คือล้วนแล้วแต่หลวงปู่มั่ น, เ, นเป็นต้นตระกูลในยุคปัจจุบันเพราะนั้นถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลและก็วันนี้เป็นวันที่สิบกุมภาพันธ์พธศักราชส้กและก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ส1บเ อ, เ, อ, อเป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปแล้วนั้นและก็พร้อมกันให้คณะทายาิโยมทุกหมู่เหล่าควรจะสมาทานศีลเป็นอย่างน้อยและก็ควรจะปฏิบัติธรรมกิจกรรภาวนา เ, เพราะว่าท่านก็คงจะทำพิธีกรรมพิธีการให้มาปฏิบัติธรรมที่วัดของของท่านและก็พร้อมกัน เมื่อการการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเหมือนกันเพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านแต่พวกให้ทานรักษาศีลเนี่ยพวกเราก็เคยชินเคยทํามาแล้วนะถึงจะรักษาศีลถึงได้บ้างไม่ได้บ้างก็เราก็รู้แนวทางแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้ ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวถ้าเราทําเองเราคิดได้เองทําเองเราอ่านตำํตำรับํารามาทำเราก็ยังเราก็ยังไม่สนิทใจอีกเหมือนกันมันผิดหรือมันถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้พานําพาดําเนินเราก็มั่นใจว่าเอออันนี้พิธีการครูบาอาจารย์พาทำอย่างนีออ้ก็เราก็มั่นใจเพราะนั้น ครูบาอาจารย์ที่พาดําเนินและพาปฏิปพฤติปฏิบัติมาก็ต้องได้ศึกษาผ่านมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สึกมาเป็นทอดๆเหมือนกันอย่างองหลวงตามหาพัวของเราเนี่ยท่านก็ไปเรียนปริยัติธรรมท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอะไรวัดโจธานิมิตท่านก็บวชเข้ามาท่านก็ปฏิบัติพระอาจารย์ท่านก็สอน แต่ก็สอนท่านก็ปฏิบัติแต่ท่านออกจากนัยท่านก็ไปเรียนปริยัติธรรมนักธรรมตรีโทเอกจ น, นจนได้มาโดยจนได้มาหาป ร, ริยันสามนะในเมื่อจบมหาป ร, ริยันสามแล้วนะท่านก็หันหน้าเข้ามาเพื่อจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนะแต่พอมาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นข้าไปกราบวันแรกนะหลวงตามหาบวชหลวงปู่มั่นท่านเอ้ยมหาท่านก็เรียนได้ศึกษามาแล้วนะ ทางฝ่ายปริยัต์นะรู้หมดทุกอย่างแล้วแต่ว่าเรื่องปฏิบัตินะ่ยเรื่องปริยัติทั้งหลายแหลนะให้ท่านเอาเข้าหีบเอาเข้าตู้เข้าหีบไว้ก่อนนะอย่าถึงเอามาเอามาไล่เลียงเวลาปฏิบัติออกมาเอ๊ะนั่งสมาธิอย่างนี้มันเข้ากับกฎเกณฑ์เรื่องสมถะอย่างนั้นวิปัสสนาอย่างนี้เรื่องมรรคนั้น เ, เรื่อง ผลข้อนี่เรื่องมรดแ8ดมันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องตัวไหนท่านจะเอามาจะพึ่งมาเอามาเปรียบเทียบนะมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายเท่านให้บริกรรมพุโทโธท่นั้นนะ เ, เวลาอย่างอื่นเอาเข้าตู้เข้าหีบไว้ก่อนให้บริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโธเดินจงกรมขาขวาพดขาซ้ายโทไปบินทบาทก่อน ขาขาขาขาขาพดขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงซ้ายพดเวียงขวาโถนะให้ท่านมีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทอันนี้แหละแต่ส่วนอื่นให้ท่านเอาที่ปริยัติที่ท่านเรียนมานะจนได้เป็นมหานะเอาเข้าในไว้ในตู้ในหีบไปก่อนนะอันนี้คือองค์หลวงตาที่ท่านได้พูดเด้นแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะนั้นพวกเราควจะยึด แนวแถวที่องค์หลวงตาพาดําเนินมาท่านได้ศึกษามาแล้วเนี่เพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในธรรมะที่ผู้ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนแต่หลวงพ่อเองเคยอยู่กับหลวงปู่ล่าเพราะหลวงปู่ล่าเนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเหมือนกันได้อยู่กับหลวงปู่มั่นสี่สามสี่ปีสุดท้ายที่หนองผือจากนั้นท่านก็อยู่กับหลวงตามหาบัวอีกจากนั้นท่านไปอยู่ที่ ทางมุกดาหารที่ผูเจ้ากอดหลวงพ่อก็เป็นเรนน้อยของท่านนะหลวงพ่อเข้าไปทีแรกก็ไม่รู้จักเพราะเด็กเข้าไปท่านก็สอนนะสอนเออเวลาเข้ามาอยู่วัดนะเวลาก่อนที่จะไหว้พระนะเพราะอยู่ในภูผาป่าไม้ภูมะลุกขะเทวดาที่มองไม่เห็นมีนะอยู่ในภูผาป่าไม้เพราะฉะนั้นเวลาเรามาอยู่นะัตสถานที่แห่งนี้เราก่อนที่เราจะหลับจะนอนเราไหว้พระก่อนนะ เวลาจะนอนอ่ะกราพุทธโธกราบครั้งที่หนึ่งบอกพุทธโธนะกราบครั้งที่สองให้ว่าทมโมทำโมกราบครั้งที่สามว่าสังโฆเวลายกมือขึ้นบนหัวศีรษะน่นิพพานะังข้าพระเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานนะต้องนึกในใจอย่างนั้นนะไม่ใช่กราบปลกุปลกปลุกสามครั้งนะกราพุทธโธ กราบธรรมโมกราบสังโฆนะจากนั้นก็เราไหว้เราท่องอะไรได้บ้างอรหังใช่ไหมอรหังอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระเขาว่าพุทธังพระเขาวันตังอภิวาเทเมแล้วก็กราบลงสวากาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็วนัวนหวนนมโมนะอ่อนานโมได้ไหมนมโมตตะจพระเขาวาโตเราบวชได้นโมตตะพระเะาวาตัวรอรหันมมจจตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นถ้าคนถามบอกพุทธทางทำบัาางสงังขังได้ไหมไม่ได้ครับได้แต่อนามโมเออเอาเอาอนามโมก็พอแต่อไปอย่ค่อยว่าพุทธทางทัำบางสางังขัางนะสารานาคชามิเนี่ยหลวงปู่ท่านสอนจากนั้นเมื่อว่านามโมจบแล้วให้เราปนมมือในระหว่างอกให้นึกในใจว่าข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นชัติอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆกดวงวิญญาณด้วยเท่ญนีให้นึกจะคิดอย่างนี้นะอันนี้คือแผ่เมตตานี่แหละคนที่มีเมตตาอยู่ในจิตใจไปนอนที่ไหนผีก็ไม่หลอกกันวานะเทวบุตรเทวดา มีแต่ให้ความเมตตาไม่ได้ให้ความเอื้ออารีต่อกันเพราะเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขานะอันนี้คือหลวงปู่ล่าท่านสอนนะสอนเน้นเน้นสอนเด็กน้อยนะที่เข้ามาอยู่กับองค์งท่านจากนั้นท่านก็อวิธีจากนั้นท่านก็สอนวิธีการเอเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วนะ่ะนั่งภาวน า, นะ เ, าเมื่อไหว้พระจบเรียบร้อยแล้วนั่งภาวนานะ เอาขาขวาทับขาซ้ายเหมือนพระประธานนั่นแหละนั่งแบบนั้นล่ะขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขวาขาทับขวาขาขาขวาทับขาซ้ายแล้วให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนนะคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลง พอเอามือลงแล้วดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทถ้าหากว่าเราไม่เคยเราไม่เคยกําหนดลมหายใจไม่รู้มันเข้ามันออกยังไงให้เราหายใจแรงๆนะทำไหายใจแรงๆสืบลมหายใจเข้าแรงๆพดหายกระแทกออกลมแรงๆโทหายใจจะพดหายใจออกโทแรงๆสักสองสามครั้ง เราจะรู้ได้ว่าลมมันกระทบที่ไหนกระทบที่ปลายจมูกแล้วกระทบที่ชานจมูกเราเอาจติตจับอยู่ตรงนั้นละ่ะตรงที่ลมกระทบนั่นแหละแล้วก็ผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนลงไปแล้วกําหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทอย่าไปส่งจิตไปในอนดีต เ, เมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนเรื่องเก่าๆอย่าไปคิดถึงแล้วจะไปวางแผนในอนาคตไม่ต้องคิดถึงอีวันพุ่งนี้บุรีนี้เป็นยังไง เราจะอยู่ยังไงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ต้องคิดนะให้สติอยู่กับที่ปลายที่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอออันนี้ให้อยู่กับพุทธโธเนอะนี่แหละอันนี้แห ะ, ะคือภาวนานั่งให้นานๆเท่าที่จะนานได้ถ้ามันปวดแข้งปวดขาอดอดทนเ อ, อเว้นเสียแต่ว่ามันปวดมากๆแล้วขยับซะถ้ามันไม่หายปวดเรอาอก็พอมาหายปวดนั่งต่อเองนี่แหละ เมื่อนั่งนานแล้วก็เวลาเราจะออกจากสมาธิให้ปนมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนแล้วก็นึกไหว้โคอิบพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นให้แผ่เมตตาค่ข้าพรเจ้าจงเป็นสุขนะบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้บำเพ็ญมาเนี่ยขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทุกตัวทุกดวงวิญญาณขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญภาวนาเนี่ยก็ขอให้เป็นเกื้อกูลหนุนคอยข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดเนี่ยเราจะปรารถนาสิ่งไหนที่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็ปรารถนาฮะอันว่านะจากนั้นก็ออกจากสมาธิเนี่ย นั่นแหละคือวิธีการวิธีการนั่งสมาธิวิธีเดินยงกรมทางเดินยงกรมมันเป็นทางเรากำหนดทางแต่จะให้มันยาวมากแต่จะให้มันสั้นมากถ้ามันสั้นมากถ้ามันเวียนศีรษะถ้ามันสั้นทางสั้นมากเราต้องเดินช้าๆถ้าเดินถ้าถ้าหากว่าทางยาวเราก็เดินตามปกติเวลาก่อนที่เราจะเดินให้อยู่สดอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่ง หลังน้ป น, นมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนคือไหว้ถูซะก่อนไหว้พุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆซ้มจบจากนั้นก็ขาขวาพุดธขาซ้ายโธขาขวาพุดธขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธไม่ต้องอย่าไปเดินช้าแต่จะไปจะไปถึงกับเร็วเดินตามปกติพอไปถึงสุดทางจงกมที่เรากำหนดไว้กอบพระทักษิณเวียนขวาเวียนขวาปับ๊บ แล้วก็ก้าวขาขวาพ้ทธใช้ทอพุทโธพุทโธพุทธมาถึงเด็กเลี้ยวขวาแล้วก็ขาขวาพุทธใช้ทอพุทโธพุทโธพุทโธทอเดินให้นานอันนี้คือการเปลี่ยนอิริยะบดจากนั้นเมื่อจบในการเราเหนื่อยแล้วเราจะออกจากทางด้านช่องลมให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูอีกรอบหนึ่งพุทธโธธรมโมสังโฆแล้วก็แผ่เมตตาแล้วจึงค่อยออกจาก ทางเดินจงกลมนี่แหละอันนี้คือครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะมาถ่ายทอดให้กับนนะักจิตทายาทโยมทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกคนจิตทาญาติโยมทุกคนที่จะเดินจงกรมจงกลมหรือจะนั่งภาวนาปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อเองได้แนะนําบอกกล่าวนี่ไม่ผิดแน่นอนนะรับรองว่าอันนี้คือตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่ตอนแต่ส่วนที่จะจิตสงบ เนืจิตนิ่งอย่างไรนั้นอันนั้นยังค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะจิตที่เป็นสมาธิคณิกะอุปจาระอปนาอันนั้นยังค่อยว่ากันอีกและวิธีเดินเดินวิปัชนาจะเดินอย่างไรเอออันนั้นในเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วยังค่อยมาพูดกันอีกทีหนึงเ น, นี่ยพอในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะ่ะเราจะเรียนก่อไก่ตัวเดียวเราจะไปจบด็อกเตอร์เฉลยมันคงเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อขณะเราเรียนกอไก่เราต้องเรียนกอไก่ถึงหอนกหูกพยายามถึงเรียนหอนกหูกจากนั้นเราก็เรียนผสมสราสระสาระเข้าไปจากนั้นก็อ่านออกเขียนได้จากนั้นก็ตีความหมายในเรื่องต่างๆวิจารณ์ในเรื่องต่างๆได้เพราะตำรับตำรามันกว้างขวางมากอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า8ป0 0 0สพันพระธรร ม, มขันก่อนลักษณะอย่างนั้นละ่ะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเอง จะไม่ได้กล่าวอะไรมากทั้งกล่าวทั้งพูดไปก็ทั้งไอ่อยไปด้วยและก็พร้อมกันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวต่อนนี้ไปพวกเราก็ควรจะพร้อมกันน้อมจิตน้อมใจแล้วก็เททองเพื่อเป็นอาจาริยะบูชาคือบูชาในพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นที่ต้นตระกูลของพระกรรมฐาน ของพวกเร า, เาแล้วก็เพื่อจะได้นำํำ อ, องค์หลวงปู่มากราบมาไหว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาต่อไปนี่แหละการรูปเหมือนก็ดีพระพุทธปฏิมาก็ดีรูปเหมือนก็ ด, ธธก ด, เกดีเราไม่ใช่กราบทองเหลืองนะเรากราบระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นมีคุณ ป, ปาการรูปหลวงปู่มั่นรูปลักษณะอย่างนี้เราก็ทอหล่อรูปขึ้นมาแล้วก็เขียนชื่อท่านไว้นะ แต่บางรูปก็อย่างว่าเหมือนกันหน้าไม่เหมือนสักหน่อยแต่เหมือนแต่ชื่อก็มีตั้งเยอะแยะไปรูปคูบาอาจารย์นะแต่นี้ก็คงจะเหมือนจะูบ้างช่างคงคงจะให้เหมือนอยู่อันนี้พระพุทธรูปก็เหมือนกันบางคนก็ปัละมัดมากเกินไปว่าทําไมไปกราบทองเหลืองกราบทองแดงกราบอิฐกราบหุนกาหินกราบปูนกราบทรายแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะเราไม่ได้กราบอย่างนั้นถ้ากราบฉะนั้นกาบโง่แน่ เหมือนกับเราเห็นกระดูกพ่อแม่ของเราเนีอยกระดูกพ่อแม่ของเราก็มากราบกระดูกฮะถ้าใครกราบกระดูกพ่อแม่กราบกระดูกเจยเจยอันนั้นแปลว่าโง่ถ้ากราบพระคุณของท่านอันนี้คือกระดูกพ่อกระดูกแม่ข้องเรากระดูกนี่แหละเคยเลี้ยงเรามาตั้งแต่ไมเป็นเด็กเด็กเด็กเด็กเล็กเด็กน้อยเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้พ่อเนี่แหละกระดูกของท่านนี่แหละ เอออันนี้เรากราบระ ล, ลึกระ ล, ลึกถึงพระคุณของท่านนั่นแหละอันนั้นคือเรากราบกาบพระคุณของท่านเออเราไม่ใช่กราบกระดูกแห้งนะเอออันนี้ก็เหมือนกันเรากราบพระพาาุทธเจ้าคือกาบคือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำคุณอุปการให้กับโลกกับพวกเราเออหลวงปู่มัน่นเหมือนกันที่ท่านทำให้เออที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเออที่เรา เคารพสักดิ์ศรีในแนี้ลนะ่ะหลวงปู่มั่นท่านสอนกรรมฐานนะครับพวกเราเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมลืมตาอ้าปากได้รู้จกักศีลเลิกสมาธิปัญญาก็เพราะพ่ อ, พ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเราจึงเคารพในพระคุณของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือเราหล่อขึ้นมารูปเหมือนขึ้นมาแล้วก็เรากราบท่านกราบด้านระ ล, ลึกถึงพระคุณของท่านน ะ, ะไม่ใช่กราบ ทองเหลืองเฉยๆนะครับนัตถาญาติโจมลูกหลานนะถ้าว่ากาบทองเหลืองไปเห็นทองเหลืองจีนเลยเไปกราบแต่ทองเหลืองเขาเขาเข้าว่างโงดเป็นบ้าท่านนะเจ้เนีเรากาบพระคุณนะเราไม่ใช่กราบอย่างอื่นเพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้เททองลูกเหมือนหลวงปู่มั่นถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลการกล่าวสมโภชในยกถานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธร ร, ร, พรมพระสง์